ขอถือโอกาสแสดงทำแบบสนทนาก็ลกันนะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นการอาราธนาแบบเป็นพิธีการเพื่อให้เป็นเทศนาให้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาแต่ว่าอาตมาคิดว่าอยากจะเป็นการปารลบธรรมกันมากกว่านะแล้วก็เกื่อจะได้มีการซักถาม หรือว่าโต้อตอบกันไปตามสมควรเรื่องของธรรมะที่จริงแล้วนี่มันก็เป็นเรื่องของชีวิตนั่นแหละนะธรรมะนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของพิธีกรรมแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของของพระหรือของวัดวาอารามด้วยนะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจ ตาใดที่เรายังมีชีวิตติตใจนะธรรมะก็เป็นสิ่งจำเป็นเคยมีนักศึกษาหรือคนเยาวชนมาถามว่าทำไมเขาต้องสนใจธรรมะด้วยเพราะว่าชีวิตเขาก็สบายดีอยู่แล้ว คำตอบก็คือว่าถ้าหากว่าเราแน่ใจว่าชีวิตเราจะไม่มีความทุกข์เลยจะไม่มีความพลัดพรากสูญเสียเลยหรือว่าจะไม่ประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเลยนะอันนี้เราก็ไม่ต้องสนใจธรรมะเลยก็ได้แต่เราแน่ใจรือเปล่าว่าชีวิตเราเนี่ยทันทีที่เรากล้าออกจากห้องนี้ไปเล็กก็ได้หรือว่าในชั่ว วินาทีหรือว่าหนึ่งนาทีจากถัดจากนี้ไปเราแน่ใจได้หรือเปล่าว่าเราจะไม่ประสบสิ่งที่อึดอัดขัดข้องใจหรือว่าจะไม่ประสบความทุกข์ไม่ประสบความพัดพลาเราไม่มีทางรู้เลยว่าขณะที่กำลังแสดงทําอยู่นี้เนี่ยอาจจะรู้สึกสบายสบายอยู่แต่ทันใดนั้นเองก็มีโทรศัพท์มา มาแจ้งข่าวร้ายว่าคนที่เรารักได้เกิดมีอันเป็นไปประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบความพัดพลาดเราสามารถจะรับประกันได้ไหมว่าเราจะดำเนินชีวิตไปได้หรือประสบกับสิ่งที่น่าพึงพอใจไปได้ตลอดเวลาชีวิตนี้มีความไม่แน่นอน ไม่แน่นอนกระทั่งว่าหนึ่งนาทีจันถัดจากนี้ไปเนี่ยเราจะคิดอะไรต่อไปเราไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้เลยว่าอีกห้าหนาทีต่อจากนี้ไปเนี่ยแม้แต่ความคิดของเราเนี่ยเราจะคิดเรื่องอะไรอยู่นยคนที่ทำสมาธิพอนายจะรู้ดีเลยว่าสมมุติว่าตั้งใจเนี่ยให้จิตเนี่ยอยู่กับลมหายใจ แต่ว่าอีกสักไม่ถึงนาทีใจไม่รู้ไปไหนแล้วอาจจะไปที่บ้านอาจจะไปที่ทำงานหรืออาจจะไปหาลูกจิตใจของเราเนี่ยมันคุมไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะ ก, กำหนดล่วงหน้าได้ว่าอีกหนึ่งนาทีจากนี้ไปเราจะคิดอะไรไม่เชื่อก็ลองทำดูก็ได้ว่าง บอกว่าฉันเนี่ยจะทำ ฉ, ฉันจะกําหนดจิตควบคุมใจไม่ให้คิดอะไรเลยให้ได้สัก5้านาทีอาตมาเชื่อหรือว่าไม่ถึงนาทีแล้วก็ไปไหนไม่รู้แล้วอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความไม่แน่นอนไม่ใช่เฉพาะของจิตใจเราแต่เป็นความไม่แน่นอนของชีวิตความไม่แน่นอนของชีวิตนี้มันถึงขั้นที่บางคนได้พูดว่า เราไม่มีทางรู้เลยว่าชาติหน้าจะมาก่อนวันพรุ่งนี้หรือเปล่าจริงไหมลองพิจารณาดูไม่มีใครที่จะบอกได้เลยว่าชาติหน้าเนี่ยจะมาทีหลังวันพรุ่งนี้บางทีชาติหน้าอาจจะมาก่อนวันพรุ่งนี้ก็ได้อย่างบางคนนี่ออกจากบ้านไปนะจะไปทํางาน อยู่ดีๆก็เป็นลมหรืออยู่ดีๆก็เกิดอุบัติเหตุตายไปอันนี้เรียกว่าชาติหน้ามาถึงก่อนวันพรุ่งนี้นทุกคนเนี่ยไม่มีทางที่จะรับประกันได้เลยว่าชาติหน้าจะมาหลังวันพรุ่งนี้หรือเปล่าอตมาก็รับประกันตัวอตมาเองไม่ได้ว่า พุ่งจะมีวันพุ่งนี้สาหรับตำมาหรือเปล่าชาติหน้าอาจจะมาถึงก่อนก็ได้คือว่าหมดลมซะก่อนแล้วก็ไปไปไปไปอุบัติในในพบในพบหน้านะนี่ก็พูดแบบให้มันให้เห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ของคนเราเนี่ยนะมันไม่เที่ยงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรา ไม่แน่ใจว่าชีวิตของเรานเนี่ยจะจะราบลื่นเหมือนอย่างวันนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่สามารถจะปรับกันตัวเองได้ว่าเราจะพบกับสิ่งที่น่าพึงพอใจไปตลอดจะไม่มีวันเจอสิ่งที่ขัดเคืองใจครับแคทนใจถ้าเราไม่สามารถจะรับประกันได้เช่นนี้เนี่ย อาตมาคิดว่าผลทางที่ดีที่สุดก็คือการอาศัยธรรมะแต่สมัยนี้เนี่ยเนื่องจากมนุษย์เรามีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆล้วก็คิดว่าเรามีอำนาจที่จะควบคุมสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามใจเราได้เราสามารถจะควบคุมอากาศในห้องนี้ไม่ให้ร้อน เราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าทำให้เรามีความมั่นใจว่าชีวิตวันนี้จนถึงวันถึงปีต่อไปเนี่ยจะมีกินมีใช้ไปได้ตลอดไม่เหมือนสมัยก่อนซึ่งชีวิตนี้ฝากไว้กับดินฟ้าอากาศสมัยนี้เราอาจจะไม่ค่อยแคร์ดินฟ้าอากาศเท่าไหร่เพราะเราคิดว่าถึงแม้ฝนจะแรงแต่ว่าฉันก็ มีเงินฉันก็ไปซื้ออาหารจากที่ไหนมาก็ได้ถึงแม้ทั้งประเทศอาหารจะขาดแคลนฉันก็ไปไปซื้อข้าวจากเวียดนามไปซื้อข้าวจากพม่า ก, ก็ได้เราเกิดความย่ามใจว่าเราสามารถควบคุมชีวิตให้เป็นไปตามใจปรารถนาได้ แต่ความจริงแล้วเนี่ยเราก็คุมไปไม่ได้ทุกอย่างเพราะอย่างที่ตมาบอกแค่จิตใจของเราเราก็ยังคุมไม่ได้เลยเราโกรธใครสักคนเร า, าจะจะห้ามใจไม่ให้โกรธก็ทําไม่ได้ยิ่งห้ามก็เหมือนกับยิ่งอยูุเนพะียงแค่เสียงดังเพียงแค่รถติดเดี๋ยวนี้เราก็ทุ ก, กันละเพียงแค่โทรศัพท์ ไปหาคนรู้จักเขาไม่รับสายก็ทุกแลละไม่เหมือนสมัยก่อนเราสามารถจะรอกันได้เป็นวันๆแต่เดี๋ยวนี้นัดใครเอาไว้เขาไม่มาหรือมายังไม่ยังไทันจะถึงเวลานัดเลยเรานัดสี่โมงเย็นแค่สาติบ่ายส5 0หเพื่อนยังไม่ปรากฏตัวก็ทนไม่ได้แล้วต้องโทรศัพท์ แล้ยิ่งถึง4โมงไม่มานี่ก็ต้องทนไม่ต้งโทรศัพท์นะเดี๋ยวนี้เราจะเห็นอาการแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะกับเด็กนะกับลูกของเรากับเยาวชนนะแต่ผู้ใหญ่ก็เป็นนะนะคือทุกอย่างเนี่ยในชีวิตของเราเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะจะสมบูรณ์เป็นหมดจกนกระทั่งว่าอะไรที่มันไม่เป็นไปตามใจเราแม้เพียงเล็กน้อยก็ทุกข์นะ รถติดก็ทุกนะหรือว่าจะไปจะไปจะไปเที่ยวนะแต่ว่าเกิดว่ารถเกิดเสียขึ้นมาก็ทุกแล้วนะจะไปซื้อของจะไปช้อปปิ้งจะไปซื้อของตเทศกาลลดราคานะแต่พอ เกิดไปไม่ได้ขึ้นมาเพราะมีเหตุจําเป็น ก, ก็กระฟัดกะเฟียดโมโหเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านี้แหละอันเนี้ยมันเราประสบความไม่สมหวังแม้แต่เรื่องเล็กน้อยก็ทําให้เราทุกข์ได้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นความพลาดพลาดสูญเสียของรักหรือว่าการประสบกับความล้มเหลวในชีวิต ในความสัมพันธ์กับคู่ครองหรือแม้กระทั่งกับลูกนะกับคนรักแม้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ในเมื่อเราไม่สามารถจะควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามใจเราได้ทำยังไงเราถึงจะไม่ทุกข์มันก็มีวิธีหนึ่งก็คือว่าการดูแลจิตใจของเราให้ดี เราดูแลใจิตใจของเราให้ดีเนี่ยแม้ว่าโลกภายนอกนี่มันจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ทุกคนเราจะสุขหรือทุกเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัย2 อ, อย่างอันที่1คือสิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามีอะไรที่เกิดขึ้นกับเราน่าพอใจหรือไม่น่าพอใจร้อนหรือหนาวอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยคนที่เราครบด้วยก็เป็นอย่างไรงานการเป็นอย่างไรอันนี้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งอาตมาเรียกว่าปัจจัยภายนอกอีกส่วนนึงก็คือว่ า, เรา ร, กการเรารู้สึกกับมันอย่างไรเรารู้สึกกับมันอะย่างไรบางคนเนี่ยนะป่วยเป็นมะเร็งป่วยเป็นมะเร็งแต่หน้าตาแช่มชื่น ขะที่บางคนเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยมีแค่สิวไม่กินเม็ดบนใบหน้านะก็ทุกแสนสาหัสจกนกระทั่งฆ่าตัวตายนะเคยได้ยินข่าวไครับวัยรุ่นอับอายที่มีสิวนะถูกเพื่อนล้อแล้วเลยฆ่าตัวตายหรือนักเรียนนักศึกษาบางคนตั้งใจว่าจะสอบสามปีครึ่งนะแต่ว่า พอสอบวิชาสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าจะต้องสอบใหม่คือจะต้องเรียนต่ออีกครึ่งเทอมอีกเทอมหนึ่งครึ่งปีจะต้องเรียนอย่างน้อย4ปีผิดหวังมากข้าวตัวตายแต่บางคนนี่เจอเป็นบะเร็งอย่างอาตมาเมื่อเมื่อปี2ปีที่แล้วนี่ก็จัดอบรมความตาย เชิงความตายอย่างสงบก็มีคนมามาอบรมมารับการอบรมเยอะแล้วก็อบรมเสร็จก็ให้เขาไปเยี่ยมผู้ป่วย น, ะ น, นักในโรงพยาบาลที่ภาคใต้ก็มีคนหนึ่งเป็นเด็กอายุ14จะเป็นจะเป็นมะเร็งสมองมะเร็งที่สมองโดนสแกนโดน ฉายแสงอยู่ทั้งผมนี่ล่วงหมดแต่ว่าหน้าตานี่ก็ยิ้มแยม้มอาสาสมัไปคุยด้วยแต่ก็ยิ้มแยม้มถามไปถามมาแกก็บอกว่าแกนี่โชคดีนะโชคดียังไงอาสาสมัครถามโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกอกย้านี่เป็นทุกข์มากเลย แ, แกบอกแกโชคดีที่เป็นมะเร็งสมอง โชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองเนี่ยอาสารสมัครคนนั้นฟังแล้วอึ้งเลยเพราะว่าอาสาสมัครคนนั้นเนี่ยก็มีความทุกข์อยู่ในใจตอนมีการเปิดเปิดใจกันก่อนที่จะปิดการอบรมเขาก็บอกว่านีแกนี่ทุกข์มากจําไม่ได้ว่าหัวเราะครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องชีวิตแต่พอแก้เจอเด็กคนนี้แกก็รู้สึกว่าโอ๊ความทุกข์ของแกนี่มันเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับเด็กคนนี้เด็กคนนี้เนี่ยเขา เมือ น, นว่าเขามีธรรมะธรรมะเขาทำให้รรยกจิตใจเขาพ้นออกจากความทุกข์ได้ท้านั่งที่เขาจะแย่อยู่แล้วในทางร่างกายหรืออย่างที่เราได้ยินบางคนว่าเขาบอกว่าเขาเป็นมะเร็งแต่เขาโชคดีที่เป็นมะเร็งทําไมคนบางคนเจอเหตุการณ์เล่ย์แต่ทําไมถึงไม่ทุกข์คำตอบคืออยู่ที่ใจแต่คนบางคนเจอเหตุการณ์ดีๆแต่ทําไมทุกข์จนจะตาย อย่างเมื่อสองปีก่อนมีข่าวว่าพ่อค้าเลขคนหนึ่งเนี่ยแกถูกลอตเตอรี่เราวันที่1จะแกถูกหลายใบยด้วยได้20ล้านบาทขึ้นหน้า1ไทยรัฐหลังจากนั้นผ่านไป1เดือนก็ขึ้นหน้า1ไทยรัฐอีกแล้วคราวนี้บอกว่าพ่อค้าเล่ถูกหวย20ล้านซดยาพิษค่าตัวตายเกิดอะไรขึ้นทำไมยิ ได้ถูกหวยย่ล้านเนี่ยซึ่งมันคือโชคมหาศารเลยแต่ทำไมถึงทุกข์ถึงขั้นต้องค่าตัวตายเพื่อลูกสาวเอาช่วยชีวิตพาไปส่งโรงพยาบาลก็เลยรอดมาได้แกบอกเครียดนะเครียดเพราะว่ามีคนมาขอมารุมมาตุ้มขอเงินแกก็ให้นะแต่ว่าให้แล้วคนที่ได้ก็ไม่พอใจบางคนก็ โัรศั์คูมาฆ่าตัวเข้ากับภรรยาแกก็ได้เครียดเมื่อสักษี่ปีก่อนก็มีเหตุการณ์ทำนองนี้แต่เกิดที่อเมริกาสามีภรรยาคนหนึ่งแกถูกลอตแกถูกลอตโตลอตโต้โตกันลอตเตอรี่การเสี่ยงโชคได้ถึง 3,000 ล้านบาท 3,000 ล้านบาทคือประมาณ80กว่าล้านเหรียญ ในการผ่านไป5ปีก <im> <bleiben> <centre> ็มีข่าวเมื่อปีที่แล้วว่าครอบครัวผวเมียนี่แยกกันผัวตายไปแล้วตายเพราะโรคที่เกี่ยวกับสุราคือพอถูกตัตุรีแล้วชีวิตก็สนุกสนานเปรมไม่เป็นอันทำงานแล้วเที่ยวก็เลยตายตายเพราะโรคที่เกี่ยวกับสุราสองคนนิยากัน หลังจากถูกถูกลอตเตอรี่ส่วนเมียก็ตายในคืฤหาสยังอ้างว้างคนเดียวทำไมถึงเกิดทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาตมาแน่ใจหรือว่าถ้าแกไม่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยครอบครัวนี้ก็จะยังจะยังรักยังปรองดองกันอยู่แล้วก็จะยัง จ, จะยังมีชีวิตอายุยืนต่อไปแต่พอเกิดโชคขึ้นมาที่เราเรียกว่าโชคสะ3 0ันล้านบาท ถ้าเที่เกิดโชคแต่ทำไมชีวิต ถ, ถ, ถึงถึงถึงถึงตกต่ำถึงทุกข์ทรมานความทุกข์เกิดขึ้นมาทางในจิตใจ mm hmm. ก็เพราะเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็น mm hmm. ก็เพราะเรื่องใจนี่แหละ mm hmm. คือพอถูกหวยถูกรักรีมากๆแล้วก็ฉันก็ไม่สนใจและฉันก็ไม่คบใคร mm hmm. ฉันคิดว่าฉันมีเงินแล้วฉันก็มีความสุขแล้วเป็นสารณาไม่คบเพื่อน เพื่อนตีจากในสุขก็ตายคนเดียวแต่ในสุดสอคนก็อยู่เด็กอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะสุขหรือทุกเนี่ยอาตมา ถ, ถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัย2 อ, อย่างคือ1ขึ้นอยู่กับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราแต่นั่นยังไม่สําคัญเท่ากับว่าเราเกี่ยวข้องหรือเราทําใจกับมันอย่างไร เป็นโลกอะไรไ ม, ไม่สำคัญเท่ากับว่าเป็นอย่างไรนะเจอเคราะห์หรือเจออะไรก็ตามไม่สำคัญเท่ากับว่าเจอกับมันอย่างไรอันนะี้ตัตมมาก็อยากจะอยากจะอยากจะเล่าเรื่อง3 3 4สีพี่น้องให้ฟังนะซึ่งมันช่วยทำให้เราได้ได้เห็น วิธีการในการจัดการกับกับความทุกข์นะตามหลักพุทธศาสนาหรือว่าตามตามหลักที่ที่เราได้ใช้กันก็เป็นเรื่องสามสีพี่น้องนะอัมพาอาพรนะแล้วก็อารมณนะ์อัมพานี่ก็ไปหาหมอไปหาหมอดูซึ่งเขา มีชื่อว่าหมอดูคนนี้เนี่ยทายได้แม่นมากหมอก็บอกว่าอีกห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะการค้าจะไม่ดีนะสุขภาพคุณจะแยนะ่ชีวิตจะลำบากต่อไปอีกห้าปีอัมพาก็เลยบอกว่าแล้วหลังจากห้าปีนี้ฉันจะสบายใช่ไหมหมอบอกหมอบอกหมอบอกว่า เปล่าหรอกคุณจะชินไปเองคุณจะชินไปเองคราวนี้เล่าเรื่องของคนที่สอง้งอาพรแต่เรื่องของอาพรนี่มันย้อนถอยหลังกันไปนะปี30ปีนะก็คือตอนที่เขายังสาวอยู่ เขาก็ไปร่วมวันหนึ me me ่งเขาก็ไปได้ได้ไปร่วมไปร่วมไปร่วมทําบุญเลี้ยงพระพระที่มาที่นิมนต์มาก็คือหลวงปู่บุตรดาพวกเราบางคนอาจจะเคยรู้จักหลวงปู่บุตรดาท่านอายุท่านมรณภาพเมื่อเมื่อยีปีที่แล้วตอนนั้นก็อายุประมาณร้อยร้ยรยกว่าร้อยหนึ่งปีก็มีโยงพระนิมนต์หลวงปู่บุตรดามา มาที่กรุงเทพมาชันเพนฉันเสร็จโยมก็เห็นว่าท่านอายุมากแล้วชราแล้วก็ขอให้ให้เอนหลังที่บ้านสักหน่อยแล้วก็หายเหนื่อยแล้วก็ค่อยกลับสิงบุรีก็ไปจัดห้องพักให้ท่านท่านก็เอนแล้วก็มีลูกศิษย์เนี่ยรวมทั้งอาพร น, นี่ก็มานั่งอยู่ นะในห้องด้วยต่างคนต่างคุยกันซิบกันซาบกันเบาๆไม่อยากจะลบกวนหลวงปู่แต่เพระเอิญห้องข้างๆเนี่ยมันเป็นตึกแถวเจ้าของร้านเป็นซิมนะค น, คนซิมสมัยก่อนเขาก็จะสวมเกี้ยเดินขึ้นลงบันไดเพราะเป็นร้านค้าเสียงก็ดังดังเข้ามาถึงในห้องหลวงปู่บุทรดา ลูกศิษย์ได้ยินก็ก็รู้สึกไม่พอใจบนขึ้นมาว่าแม้เดินเสียงดังเชียวพูกกันเองนะหูบุตราท่านหลับตาอยู่แต่ท่านได้ยินนะทั้งทงที่หลับตาท่านก็พูดขึ้นมาว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกียเขาเองเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกียเขาเองคือ ถ้าแม่อวุ่นไปลองเกียร์นี่มันก็ไม่เดือดร้อนหรอกอ่า น, นี้เป็นเรื่องเรื่องที่สามมงเรื่องอาของอารมณ์นะแต่ที่จริงนี่นนมันเกี่ยวข้องกับสามคนด้วยสมัยที่เขาเด็กๆทอยล้างไปอีกนะสมัยที่ทั้งทั้งสามคนที่ยังเด็กยังเด็กอยู่เนี่ยนะวันหนึ่งแม่ก็ทำอาหารนะแม่ก็บอกให้คนโตเนี่ยอัมพาเนี่ย ไปซื้อน้ำมันมาไปซื้อน้ำปลามาไปซื้อน้ำปลามาขวดหนึ่งแกนะก็ไปซื้อมาเสร็จนะพอซื้อได้ก็กลับมาบ้านกลางทางก็สะดุดสะดุดหินล้มลงนะน้ำปลาก็หกนะก็เลยเสร็จแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วก็ไปคว้านปลาขวดน้ำปลาขึ้นมาแล้วก็ไป กลับไปหนบ้านก็บอกแม่บอกว่าแม่วันนี้แย่จังนะทำน้ำปลาหกหายไปต้องครึ่งขวดนะอันที่ต่อมาแม่ก็ทำครวัวก็ให้ลูกนี้ไปซื้อน้าปลามาคราวนี้ให้คนที่2องไปอาพรแล้วก็ไปซื้อน้ำปลามานะพอขากลับมานะไปไปไปเจอหลุมเข้ากลางทางนะ ก็ล้มลงนะพอลุกขึ้นมาได้ก็ไปหยิบขวด น, น้ำปามาไปถึงบ้านก็บอกว่าแม่วันนี้หนูเดินสะดวกของล้มนะแต่โชคดีคว้าไว้ได้ทันมีน้ำปลาเหลืออยู่ต้องครึ่ง ข, ขวดนะคนแรกนี่บอกโชคไม่ดีเลยน้ำปาหายไปครึ่งหนึ่งแต่คนที่สองบอกแมยโชคดีน้ำปลาเหลือต้งครึ่งหนึ่ง าไปได้ทันสองคนนี้ต่างกันนะคั้งงที่เหตุการณ์คล้ายกันนี้แต่ว่ามองไม่เหมือนกันคนแรกมองว่าโชคไม่ดีคนที่สองบอกว่าแมโชคดีอันนี้อาทิตย์ต่อมาก็ให้อารมณ์นะไปซื้อน้ำมันมานะขรอบคุณทนี้เป็นยังไงไม่ทราบพอถึงกลางทางก็สะดุดอีกนะ ก็คว้าไว้ได้หลังจากที่ลูกขึ้นมาแล้วก็ไปหาแม่ก็บอกแม่ว่าบอกว่าหนูทำหนูสะดุดหกล้มนะแต่ว่าโชคดีคว้าน้ํามันไว้ได้ทันนะน้ำมันคว้าไว้ได้ทันน้ามันเหลือตั้งครึ่งหนึ่งแต่แกไม่ได้พูดแค่นี้จะพูดต่อไปว่าต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วนเะสร็จแล้วแกก็ไปคว้าไปคว้าจอบนะเอาจอบไปทำไมกลับไปที่เดิม แล้วก็ไปจัดการกับไอ้หลุมที่มันทำให้สะดุดแล้วก็หลุมทั้งยกหินที่มันทำให้เป็นปัญหาตั้งแต่คราวแรกออกไป3มคนนี่นี่นะมีความมีความเหมือนกันเหมือนกันยังไงเหมือนกันตรงที่ว่าเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันแต่ความรู้สึก ของแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันคนแรกนี่รู้สึกแย่แต่คนที่สองนี่ยิ้มได้คนที่สมก็ยิ้มได้แต่เขาไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวเขากลับไปที่ต้นตอของปัญหาด้วยคือไปจากการแก้ไขอันนี้อาตมาเล่า3ามเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร ก็เพื่อที่จะให้เราได้สังเกตว่าคนเราเนี่ยมีวิธีการจัดการกับความทุกข์ได้หลายวิธีวิธีแรกเลยเนี่ยก็อย่างที่หมอบอกอัมพาตว่าคุณจะลำบากนะการค้าจะไม่จะจะจะค้าขายไม่ค่อยดีนะสุขภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงและอัมพาก็บอกว่าแล้ว หลังจากนั้น5ปีผ่านไปแล้วจะดีขึ้นไหมจะมีจะหายลําบากใช่ไหมหมอก็บอกว่าป่าหรอกคุณจะชินไปเองคนเราเนี่ยเวลาเจอความทุกข์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มาช่วยทําให้เราหายทุกข์ไดก้ก็คือว่าการที่เราชินกับความทุกข์มนุษย์เรานี่มีความสามารถในการปรับตัวได้ทําไมชาวบ้านเนี่ยเวลาจะเดิน เวลาจะเดินเวลาจะไปไหนมาไหนเดินเป็นเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะทำไมเขาไม่ทุกข์แต่ทำไมคนกรุงเทพเนี่ยหรือคนในเมืองเนี่ยเดินแค่จากบ้านออกไปหน้าปากซอยเนี่ยทำไมถึงทุกข์คนต่อบคือวาชาวบ้านนี่เขาชินเนี่ยเขาชินเขาคุ้นกับการเดินเป็นชั่วโมงช่วโมงแต่คนกรุงเทพหรือคนในเมืองนี่ไม่ชินถ้าจะเดินถ้าจะจากบ้านไปไปปากซอยเพราะว่าคุ้นกับการขี่มอเตอร์ไซค์หรือการขับรถ แัมนุษย์เรามีความสามารถในการที่จะปรับตัวให้ชินและคุ้นเคยได้คนที่ตาบอดใหม่ๆเนี่ยเขาจะทุกข์มากเลยนะอาตมารู้จักกับเด็กหลายคนที่เขาตาบอดเขาหูหนวกเข้ามาปฏิบัติที่วัดตอนแรกเขาก็ทุกข์แต่พออยู่ไปอยู่ไปเขาเหมือนกับปกติเลยบางทีเขาสบายกว่าคนธรรมดาด้วยซ้ำเพราะอะไร ชินก็ปรับตัวได้คนบางคนเนี่ยนะติดคุกนี่โอ๊ยท ท, ท, ท, ทรมานนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปชินบางคนที่อยู่ไปนานๆ น, านี่จะให้ออกจากคุกที่ไม่ยอมนะมันมีมันมีเรื่องราวของคนของจะมีเรื่องราวแบบนี้คนที่ติดคุกนานๆอย่างเช่นติดคุกต้องห้ปีเนี่ยพอจะให้ออกจากคุกนี่เครียดมาก เพราะไม่คุ้นกับโลกภายนอกแล้วแต่คุ้นกับชีวิตในคุกพอออกไแ ต, แ ต, แต่แต่พอพ้นคดีต้องออกมานี่บางคนฆ่าตัวตายนะออกจากคุกมาแล้วแทนที่จะมีความสุขกับฆ่าตัวตายเพราะว่ามันไม่คุ้นอยากกลับเข้าไปใหม่จะกลับเข้าไปเป็นไปไม่ได้คุกเนี่ยมันก็ทําให้กลายเป็นสวรรค์ของเาเพราะาเขาคุ้นกับชิวนตมันะเรามีความสามารถในการปรับตัวนะคนบางคนเนี่ยไม่ไม่ไม ไคนบางคนเนะ่หลายคนทีเดียวนี่นะเวลาไปปั๊มน้ำมันเนี่ยจะรู้สึกเหม็นหรือไปร้านขายสีจะรู้สึกเหม็ น, น, น, น, นแต่ทำไมเด็กเด็กในร้านขายสีเด็กปั๊มน้ำมันทีทไมเขาไม่รู้สึกเหม็นเลยเพาคุณไงเมื่อ2องาปีที่แล้วนี่เราคุได้ขาวาเรื่องซื้อเนม้่เนี่ย ก็จะมีคนเนี่ยไปไปช่วยกันทำงานเก็บกู้ศพนะที่วัดย่านยาวนะร่วมกับคุณหมอพรทิพย์ mm hmm. ใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกเหม็นนะศพนิ่เน่าแต่อยู่ไปนานๆนี่ชินชินขนาดที่เราว่าเสร็จจากการไปช่วยเหลือศพแล้วตอนเย็นเนี่ย ก็พาเพื่อนไปกินข้าวในร้านอาหารพอเข้าไปในร้านอาหารนี่คนก็มองเป็นแถวเลยมองมาที่ตัวเองอแต่แกก็สงสัยมองอะไรวะใช่ไหมทำไมถึงมองทราบไหมะเขาได้กลิ่นเหม็นแต่เจ้าตัวนี่ไม่ได้กลิ่นแล้วใช่ไหมไม่ได้กลิ่นแล้วไอ้ไม้มนี่ได้กลิ่นเหม็นแต่ต่ อ, ตอหลังพออยู่ไปๆไม่ได้กลิ่น จมูกเนี่ยมันคุ้นมันชินจนกระทั่งไม่ได้กลิ่นกลิ่นเหม็นที่ติดมาตามเสื้อผ้าอาตมาไปประชุมกับพวกที่ที่ทําอาสาสมัครซูนามีเนี่ยก็จะก็จะได้กลิ่นโชยมาแบบนี้แหละแต่เจ้าตัวเขาไม่รู้หรอกเขาก็าคุ้นเขาชินนะมนุษยเรามีความสามารถในการปรับตัวได้แต่ส่วนใหญ่ไม่ทันจะได้ปรับตัวก็โวยวายซะก่อนเนะมื่อผู้ศาสนาจึงสอนเรื่องขันตินะขันติความอดทน ปัญตนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกุญแจอย่างแรกในการที่เรารเผชิญความทุกข์บางอย่างมันเป็นเรื่องของใจงจริงๆนะคือถ้าใจเราบอกไม่ไหวไม่ไหวมันก็ไม่ไหวนะแต่พอใจเราบอกว่าไหวมันก็ไหวนะเรื่องนี้อยู่ที่ใจอาจารย์ป๋อเวทวสีท่านเคยเล่าสมัยที่ท่านยังเป็นยังยัง อย่างไปรักษาเป็นหมออยู่ที่สิริลาถ้าเป็นหมอทางด้านโลหิตวิทยาตอนเรว่าวันนึงเนี่ยก็มีคนมีนักศึกษาแพทย์นี่หาเล เ, า เ, ขเข็นเข็นเพลของคุณลุงคนหนึ่งเข้ามาลุงคนนี้เนี่ยบอกว่าอ่อนแอมหรือเพลียมากสิเลยไม่มีแรงจนกนทั่งต้องนั่งเปลต้องนอนเปลมา อนจาประเวศก็ดูลักษณะอาการแล้วก็สัมภาษณ์เล็กน้อยเสร็จแล้วก็บอกนักศึกษาแพทย์ว่าไม่มีอะไรหรอกนะเจอพยาธิปากขอเข้าไปอ่ะมันก็เลยก็เลยซีดโรคนี้รักษาไม่ยากเดี๋ยวให้กินเหล็กเข้าไปไม่กี่วันก็หายคนป่วยนี้ได้ยินพอได้ยินนี่แกลุกขึ้นมาจาก ลงมาจากเปลเลยนะแล้วเข็นเ a ลออกไปข้างๆเลยเระถ้าหมอบอก ว, ว่ามันหายง่ายนี้ผมก็ไม่ต้องใช้เปลนะ <c oughs> คือไม่ทันจะกินยาเลยแกกลับรู้สึกดีขึ้นตอนมารักษานี้ไม่มีแรงเดินนะใจไม่สู้ไม่ใช่ว่าไม่มไม่ใช่ว่าไม่มีแรงแต่ใจไม่สู้เพราะไปคิดว่าตัวนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่านะ <c oughs> เป็นมะเร็งมเลือหรือเปล่านะเป็นมีอยู่คีมีหรือเปล่านะก็เลยทำให้ไม่มีแรง แต่พอหมอบอกว่าไม่มีอะไรกินเหล็กไปไม่สองไม่กี่วันไม่ทันจะได้กินเหล็กเลยแรงมาจากไหนเพราะอะไรเพราะใจไงเพราะใจพอ ร, รู้ว่าเออฉันไม่ได้เป็นลิวคีนนะฉันไม่ได้เป็นโรคลายนะฉันเป็นโรคแค่โรหิตจางธรรมดาใจมันพอใจมันรู้อิ่มเ อ, อิบขึ้นมาเนี่ยเลี้ยวแรงก็มาอยู่ที่ใจฮะน่ถ้าใจสู้เนี่ยนะมันก็สู้ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยใจไม่สู้ เราจะได้ข่าวแบบนี้เยอะในวงการหมอเนี่ยก็จะได้ยินแบบเพีนนี้เยอะพอหมอหมอหมอไปตรวจผิดเนี่ยบอกว่าคุณนี่เป็นโรคหัวใจอ๋อสุดเลยนะไม่มีแรงไม่มีแรงไอ้ที่เคยเดินไปซื้อกับข้าวทุกเชา้าทุกเย็นกลายเป็นว่าไม่มีแรงไปเดินขึ้นบันได ย, ยังเหนื่อยหอบเลยแต่พอหมอมาตรวจอีกทีบอกว่าคุณไม่เป็นอะไรเดินฟอรเลย สถานที่ยังไม่ทันได้กินยานี่เรื่องใจและส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้ขันติเนี่ยความอดทนเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมีมีใจสู้ได้เพราะฉะนั้นเวลาเจออะไรก็ตามเนี่ยธรรมาคิดว่ามันมีคาถาอยู่สั้นๆอยู่คาถานึงอยากจะให้พวกเรานะลองไปใช้ดูสั้นๆเวลาเจออะไรที่มันสุดลําบากอะ่ะหายใจเข้า ก็บอกตัวเองว่าทนได้หายใจออกบอกตัวเองว่าสบายมากหายใจเข้าทนได้หายใจออกสบายมากอธมาจัดธรรมยตราเนี่ยจัดเดินเดินลน ล, ลงเรื่องเสียงว่าลอมบนหลังเขาเนี่ยจัดทุกปีมาปีนี้ไปที่เจ็ดลเดินกันเจวันกลางแดดประมาณเดือนเดือนพฤศจิกา สีปีหลังเนี่ยนี่สามสปีหลังนี่ก็จะมีนักเรียนจากกรุงเทพมาเดินเป็นนักเรียนแบบลูกคนรวยผู้ง่ายๆนะนั่งรถทัวร์มาลงมาในหมู่บ้านแล้วก็มาเดินไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่ไหวก็ไม่เคยเจอแดดนะอาหารข้าวเหนียวก็กินไม่เป็นไปที่ไหนนี่กินกินแต่ของอาหารนอกอาหาร อาหารแบบราคาแพงแพงพอมาอยู่ที่นี่ต้องไปเป็นนอนกลางดินกลางทรายแล้วก็ต้องเดินหนะักเดินเวลาบางทีส10กิโลซึ่งสหรับชาวบ้านที่ริเรงธรรมดาแต่มาเดินกลางแดด ก, ก็ไม่ไหวนะแต่พอให้ให้ทำใจพิจารณาเนี่ยอตมาก็บอกเนี่ยเอาคาถานนี่ไปเท้าซ้ายบอกทนได้ซ้ายทนได้ขวาสบายมากปรกิกรรมในใจเลยซ้ายทนได้ขวาสบายมาก ก็เดินได้นะเดินครบเจวันเลยเสร็จงานแล้วบอกขอเดินต่อเลยให้ไปไปเดินไปเข้าไปในไปเที่ยวหน้าผาอีกคืนหนึ่งทนได้กับสบายมากเนี่ยมันทำให้ใจรสู้อันนี่กรณีที่หนึ่งนะซึ่งเป็นกรณีซึ่งหมอหมอบอกอำพาว่าเนี่ยคุณจะชินไปเอง อันนี้แหละคือความคือความจริงหรือเป็นศัจ ธ, ธรรมันหนึง่งขอให้เราทนได้แล้วสบายมากอย่างจะชินไปเองตอนนี้อาพรอาพรนี่ก็กรณีหลวงปู่บุตรดานะคือเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยนะมันอยู่ที่ใจเราว่าใจเราเนี่ยจะเข้าไปไปทุกข์ไปร้อนกับมันหรือเปล่า เวลาเจอเสียงดังเวลาเจอแดดร้อนเวลาเจอความเจ็บป่วยเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายคนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยมันก็จะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมีแค่นี้นะห้าอย่างส่วนใหญ่นะสิ่งที่ทำให้คนเราทุกเนี่ยมันมาจากทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแต่จะทุกข์หรือไม่อยู่ที่ใจนะแต่เพราใจเราเนี่ยเรื่องใจเราเนี่ยพอใจเราไม่มีสติมันก็จะไปเอารูปที่เห็นทางตาเนี่ยมาทิ่มแทงใจถ้าใจไม่มีสติก็จะไปเอาเสียงที่ได้ยินทางหูเนี่ยมารบกวนใจ เวลาเกิดเสียงดังขึ้นมอหนี้ทําไมเราทุกข์เพราะใจเราเนี่ยมันไปรับมันไปตรวจจออยู่กับเสียงเวลาเราเจอใครเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ น, าน่ารักใจเราก็คอยไปจดจ้องจดจ่ออยู่การกระทําของเขาและยิ่งจดจ้องจดจ่อใจเราก็ทุกข์ ลองสังเกตดูพอเราไม่พอใจใครสักคนที่เขามีพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ชอบเนี่ยทั้งที่เราไม่ชอบเนี่ยแต่ใจเราจะกลับเข้าไปตรว จ, จอ่อเราไม่ชอบไม่มีใครด่าแล้วนะแต่พอเราได้ยินว่าพอมีเพื่อนเนี่ยบอกว่านี่มีมีคนเขาว่าเธอนะคนคนที่เขาว่าเธอนะปฏิกิริยาอย่างแรกของเรา ส่วนใหญ่ก็คืออะไรเราจะถามว่าเขาว่าอะไรอยากรู้ว่าเขาว่าอะไรทั้งๆ ท, ท, ที่รู้แล้วทุกข์แต่อยากรู้รู้ไปทำไมในเมื่อรู้แล้วทุกข์อ่ะนี่เพราะอะไรเพราะใจมันหาเรื่องไงฮะใจมันหาเรื่องไอ้ใจนี่สําคัญซึ่งในทางพุทศาสนาบอกว่าเนี่ยถ้าใจไม่มีสติเนี่ยมันจะไปหาเรื่อง มันจะไปหาเรื่องทงอางเอาเอารูปรถกินเสียงสัมผัสนี่มาลบกวนจิตใจหลวงพ่อหลวงพ่อบุดดาท่านใช้คำว่าเอาหูไปลองเกีย้ยเขาก็คือพอใจไม่มีสติแล้วเนี่ยหูก็เป็นหูหาเรื่องตาก็เป็นตาหาเรื่องจมูกก็เป็นจมูกหาเรื่องสตินี่สําคัญสติคือการรู้ทันเวลาเวลา จิตเนี่ยมันมันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยได้ยินเสียงดังได้เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจจิตมันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีสตินะเราจะรู้ทันอาการกระเพื่อมแล้วก็ยกจิตออกจากอาการกระเพื่มนั้นคือทําให้จิตนี้เป็นปกติแต่ส่วนใหญ่นี่เราไม่รู้ตัวพอเราไม่รู้ตัวเราก็เลยทุกไปเรื่อย แล้วเราปล่อยให้ความทุกข์มันครอบงำเช่นเวลาโกรธใครถ้าทั้งที่โกรธแล้วทุกข์แต่เวลาโกรธใครแล้วก็เอาแต่คิดถึงคนคนนั้นทําไมถึงชอบคิดถึงคนคนั้นเ น, นเมื่อคิดแล้วทุกข์เวลาเกลียดใครทําไมถึงชอบคิดถึงคนคนนั้นตอนที่นึกถึงเขาแล้วเกลียดแล้วก็ยังคิดมือเราเนี่ยเวลาโดนไฟนี่ทําไงฮะมันดึงออกใช่ไหม แต่วเวลาใจของเราเจอไฟโทรษาเนี่ยมันไม่ออกนะมันเข้าไปคลอยเคลียร์เข้าไปคิดเข้าไปคุ้นดูกับกับคนที่เราเกลียดกับเรื่องที่เราโกรธเวลามนิวเราเนี่ยนะมันเกิดไปถูกอะไรที่มันเหม็นเนี่ยนะเราไม่ชอบว่าเราไม่ชอบกลิ่นเหม็นนะเราจะพยายามล้างแต่ล้างเสร็จทำงางต้องเอามาดม ใช่ไหมทั้งที่มันเหม็นแต่ว่าทําไมเอามาดมดมแล้วก็สูดก็ยิ่งถ้ายังเหม็นก็ยังถูอยู่ที่ว่าต้นมานี่มีลิงนะลิงนี่วัดอีกวัดนึ่งนะลิงนี่มันเกลี่กับปี <c oughs> เวลาเคยเอาเคยเอาเอาข้าเหนียวนี่ใส่กับปีข้างในยัดไส้ให้มันเนี่ยมันกินข้เหนียวเสียจมันเจอกับปีเนี่ยกระปมมีมันติดมือเนี่ยมันทํำยังไง มันก็จะถูถูกับหินถูกับต้นไม้ถูกับกิ่งไม้ถูกับเปลือกไม้ถูใส่ถูถูแล้มาดมดมเส้็ก็ถูใหม่ถูจนกระทั่งบางทีทะเลอะเลยเลือดไหลก็ยังถูอีกไม่หยุดพ่อมันเกลียดกะปิมากแต่ยิ่งเกลียดก็ยิ่งดมนะแล้วก็ยิ่งถูก็ยิ่งปวดยิ่งเจ็บกะติ ก, ะ ป, กะปิทํำไ้มันเลือดไหลว่า ปีกไมไ่ทำให้มันเลื่อนไหลนะแต่ความเกลียดกับปีกต่างหาที่ทําให้มันเลื่อนไหลเพราะยิงเกลียดกับปีกก็ยิ่งถูยิ่งถูลองสังเกตดูเนี่ยนะไอ้เสียงเนี่ยบางทีมันไม่ได้น่ารําคารลแต่ความรังเกยียดเสียงหรือว่าคําพูดคนบางคนจริงจริงมันก็ไม่มีอะไรแต่เพรเรามีปฏิกิริยากับมันมากเกินไปเราก็เลยถูก อันนี้เพราะว่าใจไม่มีสติฮะมันก็เลยไปถูกไปปล่อยให้ความเกลียดความโกรธครอบงำแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะเราจะรู้ทันความโกรธความเกลียดและเราจะไม่ปล่อยให้มันเข้ามาเข้ามาบงการจิตใจแต่เรารู้ว่าโกรธเรารู้ว่าเกลีย ด, รรยดแต่เราไม่เราเราเราพอเรามีสติรู้แล้วมันวาง แต่คนร้อนเนี่ยมักจะปล่อยให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาครอบงำและทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัวเคยมีบ้านหลังหนึ่งนะแกอยู่อยู่ในซอยอยู่ริมถนนมีกำแพงนะมีกำแพงใหญ่เพลงไอ้ซอยนั่นเนี่ยเป็น ถนนั้นเนี่ยมันเป็นบริเวณที่นักเรียนสอนนเรียนที่เป็นอริ่กันเนี่ยสัญจรผ่านไปผ่านมาเป็นประจำแล้วก็ธรรมดานักเรียนวัยรุ่นเนี่ยพอเจอกัำแพงที่ไหนก็ทําไงฮะก็สเปรย์ฉีดปอชอชอเป็นพ่อกอลลต์ตออะไรเงี้ยแล้วกอลลตอก็เป็นอะไรเป็นพ่อหรือเป็นราชาของปชอตออะไรเงี้ยเยจ้าของบ้านก็ มันฉีดมากเข้าช่องของบ้านก็ต้องมาคอยมาเอาเอาสีมาทาทับตอนหลังก็ไม่ไหวแกก็เลยเขียนติดประกาศว่าขอร้องว่าอย่าอย่าพ่นสีสายกำแพงวันรุ่งขึ้นไอ้อความนั้นก็ถูกสีพ่นจนอ่านไม่ออกต่อมาก็ก็ใช้วิธีขู่ขูว่าจะดำเนินคดีนะกับผู้ที่อพอ่นสีส่ยกำแพงเพราะผิดกฎหมาย ติดประกาศเอาไว้หน้าหน้ากำแพงไอ้ประกาศนั้นก็หายไปวันรุ่งขึ้นนะไปเจอปรากฏว่ามันกลายเป็นกลายเป็นทราบเป็นแล้วจะเจรยเจ อ, อามากเขา้ามากเข้านี่เก็โกรธนะโกรธนะพยายามทำเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ไม่ได้ผลเรียนอาชีวะสองเรียมก็ไม่ก็ยั่วโทรศาพท์มากขึ้นมากขึ้นบางทีก็ถึงกับครูว่าจะ เอาเลเบิร์ดมาวางบ้านแกอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งจะแ ก, ะแกะเจออยู่มาแกก็โกรธมากเนี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยแกทนไม่ไหวแกก็ถือสีมาที่หน้าบ้านแล้วแกก็เอาเอาเอาเอ า, เอาแปรงเนี่มาเขียนไว้ที่หน้าบ้านหน้าที่กำแพงว่าใครเขียนเป็นหมาตกลงใครเป็นหมาก่อนนะครับใครเป็นหมาก่อนนะก็เจ้าของบ้านนะ นี่คือทำด้วยความโกรธเนี่ยคุณเราเาราโกรธแล้วเนี่ยไม่มีสติพอไม่มีสติแล้วเราก็ด่าตัวเองไม่รู้ตัวประนามตัวเองไม่รู้ตัวแล้วเราสังเกตานั้นแต่ถ้าเรามีสตินะถ้าเรามีสตินี่มันมันวางได้สตินะเวลาโกรธใครเรารู้ทันเราวางได้ที่วัดที่วัดอัตมาเนี่ยจะมีจะมีโยมคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนพิการ เราเรียกว่าอาจารย์กำพลเพราะเคยเป็นอาจารย์เคยเป็นครูสอนพละแล้วก็บอกกันว่าไปไปทำอิท่าไนไไม่ทราบโดดลงมาแล้วก็ค อ, อนี่กระแทกกับพื้นสะเส้นประสาทขาดเป็นน้ำพังแต่คอลงมานะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมีคนอุ้มพาไปเข้าห้องน้ำเวลากินข้าวต้องมีคนป้อนข้าวให้จะใช้เวลา5ปีในการที่จะรักษาตัวเองให้ดีก็รักษาไม่หาย ชีวิตนี่แย่มากคนเพิ่งอายุ24เองนะแล้วก็หมดอนาคตเลยแฟนก็ทิ้งนะแล้วตัวเองก็ไม่รู้จะอยู่ไปยังไงเพราะพ่อแม่ก็แก่แล้วเพราะถ้าพ่อแม่แก่จะใครจะมาดูแลตัวเองเครียดมากจารรู้สึกชีวิตแต่ละวันเนี่คือการรอบันตายแล้วก็อยากจะให้ตายสักทีแล้วก็ไม่ยอมตายสักที5นะปีผ่านไป10 ป, ปีผ่านไป ตอนหลังก็เริ่มทำใจได้แต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่เวลาคิดเรื่องนี้ก็เลยหาหาหนังสือธรรมะมาอา่อหานพออ่านหนังสือธรรมะมาอา่านก็รู้สึก ด, ดีขึ้นแต่พอไม่ได้อ่านหนังสือธรรมะวางหนังสือลงก็กลับทุกข์ใหม่เพราะใจมันคิดไปถึงอดีตใจคิดถึงไปถึงอนาคตจนทั้งได้มาได้ ได้ได้ทราบหรือวิได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อคำเขียนแล้วก็ทดลองปฏิบัติการเจรินสติในหลวงพ่อคำเขียนก็คือการพลิกมือไปมาการสร้างจังหวะการเดินตรงกลมแต่ว่าแกเดินไม่ได้แกก็เลยพลิกมือเนี่ยเดยิพลิกเซตมีคือพลิกนี่ก็รู้พอใจนึกฟุ้งซ่านก็รู้คือรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึก เพปฏิบัติเงี้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนในสุดเข้าใจเลยว่ากายก็อันหนึง่งนะความคิดก็อันหนึง่งนะจิตก็อันหนึง่งรู้จกนกระทั่งมารู้ว่าไอ้ที่ตัวเองพิการเนี่ยมันพิการแต่กายแต่ใจไม่ได้พิการด้วย เผลไปคิดต้องนานว่าฉันพิการฉันพิการแต่ที่จริงไอ้ที่พิการือกลายดังหาที่มันพิการแต่ใจไม่ได้พิการด้วยจะบอกว่าทันทีที่รู้ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าจิตนี่ลาออกจากความพิการเลยโปร่งเบาสบายหายทุกเลยหายทุกจากความพิการเพราะไม่ได้รู้สึกต่อไปว่าฉันพิการ มันพิการแต่กายแต่ใจไม่พิการมันทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์เพราะว่าในสตินี่มันทำให้เห็นเลยที่ผ่านมาไม่มีสติก็ไปหลงเอาความพิการมาเป็นของเรานะแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์กำพลเวลามาวัดเนี่ยก็จะมีคนมาเยี่ยมมาหาคนที่มาเยี่ยมมาหานี่ก็เป็นคนที่เป็นคนปกติอาการสามสองเนี่ยแต่มีความทุกข์มากว่าอาจารย์กำพล มามามามามาอยากได้กําลังใจจากอาจารย์กําพลมาห็อาจารย์กําพลแล้วก็สบายใจทําไมคนเหล่านี้เขามีความทุกข์เท่านั้นที่เข้าไปไหนมาไหนได้ก็จะไปเที่ยวก็เที่ยวได้ดูหนังก็ดูหนังไดนะ้เขาจะเขาจะไปเที่ยวต่างจังหวัดที่ไห น, นและต่างๆร้อยแปก็ทําได้หมดแต่ทําไมเขาทุกข์เพใจฮะอาจารย์กัมพ ล, ท, พลที่มีสติรู้ปล่อยวางความทุกข์ได้มันทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ แต่คนเราเนี่ยเวลากายทุกเนี่ยใจมันเผลอก็ไปยึดเอาความทุกมาเป็นของฉันเวลาแดดร้อนเวลาเดินธรรมยถาตรานเนี่ยเจอแดดร้อนอัตมาก็บอกนะให้ดูให้ดูใจไว้เวลากายร้อนเนี่ยอย่าให้ใจร้อนเวลากายเมื่อยอย่าให้ใจเมื่อยมันทําได้มันแยกกันได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะัเราก็ไปยึดเอาความร้อนของกายมาเป็นมาเป็นชันร้อน กายเมื่อยมันไม่ใช่เมื่อยแค่กายฉันก็เมื่อยด้วยอันนี้แหละจะทุกข์เลยสติมันทำให้เราเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดอันนี้ต้องฟังให้ดีสติมันเห็นสติเห็นความร้อนที่กายแต่ว่าใจไม่เป็นผู้ร้อนด้วยเวลาเสียงแรงๆเสียง เ, เ, ส, ยง เ, ส, ยงเสียงดงังๆมากระทบเนี่ยรู้ว่าเสียงมันเสียงมันดงังมันระคายหู แต่ใจไม่ละคายนะถ้าเราทำนี้มากๆนี่นะฮะต่อไปของเสียนะของหายเนี่ยมันหายแต่ของนะมันเสียแต่ของแต่ใจไม่เสียด้วยแต่เีนี้เราไม่แยกออกเลยนะฮะของเสียใจเสียด้วยนะแก้วแตกใจก็แตกด้วยนี่เพราะไม่มีสติฮะแต่ถ้าเรามีสติแล้วนี่เราเรารู้ทันระวังเลยรู้รู้ปุ๊บวังปับ๊บรู้ปุ๊บวังปับ๊บ หูจะไม่ใช่อูหาเรื่องตาจะไม่ตาหาเรื่องนะแล้วก็จมูกก็จะไม่ไม่ใช่จมูกหาเรื่องที่ไปเอาเก็บเอาความทุกมาจกนกระทั้งจิตก็จะไม่เป็นจิตหาเรื่องจะไม่เอาความทุกมาทิมมาแทงมาซ้ําเติมตัวเองเวลาเจอใครดา่าได้ยินเสียงเสียงที่เสียงดา่ามันมาที่หูแต่ไม่ไม่ลงไปถึงใจ ลืดแม่จะลงไปถึงใจแต่ใจรู้ใจกัะเพื่อมใจวางเพราะมีสตินี่เป็นวิธีที่สองอันนี้วิธีที่สเนี่ยก็อย่างย้อนกลับไปเรื่องของเด็ก3มคนที่ไปซื้อน้ำปลาใช่ฮะกับซื้อน้ำมันคนแรกเนี่ยน้ำบอกว่าโชคโชคร้ายจังน้ำปลาหายไปครึ่งขวดแต่คนที่สองเนี่ยเขายิ้มได้ เขาเคยสูว่าเขาสูว่าแม้เจอทุกแต่ยังโชคดีที่น้ำปามันยังเหลือต้องครึ่งขวดอันนี้เราเราภาษาสมัยใหม่เราเรียกว่าการมองแง่บวกหรือการมองแง่ดี mm. ซึ่งมันช่วยนะเวลาลรเงินเราหายพันหนึ่งเนี่ยเราทุกเราเสียดายเงินแต่เราเคยมองแง่ดีไม่ว่าหายพันหนึ่งก็ยังดีนะที่มันดีกว่าหายหายหมื่นหนึ่ง เป็นหวัดเป็นโรคกระเพาะยังดีนะดีกว่าเป็นโรคมะเร็งหรืออย่างเด็กคนที่ว่าเนี่ยเป็นมะเร็งสมองก็ยิ่งดีนะที่ไม่ได้เป็นมะเร็งปากมดลูกนี่คือการมองแง่ดีซึ่งจะตรงกับหลักพุทธศาสนานะพระปุณณนะพระปุณณะนี่เป็นสิทธิของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติทางกับพระพุทธเจ้าเสร็จละวันก็มาทูลลา มาทูลาไปไปเมืองสุนาปรันตะพระพุทเจ้ากระทวงติงว่าเมืองคนสุนาปรันต์เนี่ยเขาเป็นคนโหดไายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะว่าอย่างไรพระปุณณะบอกว่าเขาด่าว่าข้าพระองค์ก็ดีกว่าเขามาทุบตีพระพุทเจ้าก็เลยถามว่าแล้วถ้าเขามาทุบตีท่านละ่ะท่านจะว่าอย่างไร พุทธุนนาก็ตอบว่าเขามาทุกตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วเข้าก็เ้อนหินมาคว้างเรจะทําอย่างไรท่านจะว่าอย่างไรเข้าก็เาก้อนหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดแล้วถ้าเขาเอาไม้มาฟาดท่านจะว่าอย่างไรขพุทธไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขาาของแหลมมาแทงผู้เจ้าก็เลยถามต่อบว่าตอบไปว่าแล้วถ้าเขาเาของแหลมมาแทงท่านจะว่าอย่างไรข้าพุทธุนนาคก็ตอบว่าเขาาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขากว่าเขาฆาให้ตาย ท่านใจถึงขนาดนี้นะอันนี้พระเาจ้าก็เลยถามคำถามสุดท้ายว่าแล้วถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระคุณเจ้าก็บอกว่าคนบางคนเนี่ยอยากตายนี่ต้องไปหามีดมาทําร้ายตัวเองหรือต้องไปจ้างคนมาฆ่าตัวเองให้ตายแต่ข้าพระองค์นี้ไม่มีแท้ า, ถ, าถ้ามีคนมาทํามัฆ่าพระองค์นี้ก็ดีพระองค์ไม่ต้องทําอะไรเลยมีคนมาทําให้เสร็จพระเจ้ า, จาก็เลยอนุโมทนาว่าเออ ทาบปูนนั่นี่เหมาะที่จะไป็เมืองสุนทรพันตาก็เลยให้ไปก็ประพบว่าในสุดก็สามารถที่จะเปลี่ยนชาวสุนทรปันธ์ต่างการเป็นคนมีศีลมีธรรมได้อันนี้คือการมองคือการมองคือการมองอย่างคือการมองแล้วก็ตามเนี่ยเวลาเจอแล้วก็ตามเนี่ยเราลองมองมองสักหน่อยด้วยว่าเออบันยังดีนะที่ไม่ที่ไม่แย่ไปก่อนนี้หรือจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า ไอ้ความบางอย่างเนี่ย ม, ม, มันมันมันมีมันมีดีอยู่ในตัวการที่เรามีบ้านเล็กก็มี ก, ก็ก็ดีเหมือนกันนะมีบ้านเล็กก็ทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลรักษามากการที่เราตกงานอนารยตมาเคยทำเคยทำแบบทดสอบให้ให้ครูที่มาปฏิบัติที่วัดเนี่ยพิจารณาเขาบอกเนี่ยเวลาตกงานเนี่ย ก็ดีเหมือนกันนะดียังไงก็ทําให้ได้ไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพ่อแม่ได้ไปช่วยงานพ่อแม่ <c oughs> ได้ไปอยู่ใกล้ชิดพ่อแมนะ่คือของแต่ละอย่างเนี่ยมันเหมือนกับมันมีสองด้านอยู่ในตัวใช่ไหมการที่ตกงานก็มีด้านที่เสียแต่ด้านที่ดีก็คือว่าเรามีเวลาเป็นของตัวเองเรื่องเด็กเนี่ยเด็กอายุสิบสองคนนึงก็เป็นมะเร็ง นะแล้วแกก็บอกว่าช่วงที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นช่วงที่แกมีความสุขที่สุดในชีวิตทำไมถึงเป็นอย่างนั้นแกก็บอกว่าก็เป็นเป็นช่วงที่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ถ้าแกไม่ป่วยนี่กคงจะไม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่เพรพ่อแม่เนี่ยพอรู้ พ, อ, พอลูกป่วยนี่แกก็ลาจางงานมาช่วยดูแลลูกที่ที่โรงพยาบาลจุฬาที่กรุงเทพ คือด้านดีของการเป็นมะเร็งเนี่ยตคือได้อยู่กับพ่อแม่ได้ใกล้ชิดกับพ่อแม่มีคนนึงก็เหมือนกันแกเปรโรคหัวใจหัวใจปางตายเลยนะแต่ไล่หลังจากนั้นหลายปีผ่านไปแกบอกว่าไอ้การที่แกไปรโรคหัวใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของแกเป็นเซนหนึ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแกทำไมถึงเป็นอย่างนั้น จะบอกว่าพอพอเปโรคหัวใจเนี่ยทีแรกก็นึกว่าเป็นเพราะกินอาหารไม่ถูกต้องแต่ก็พยายามคุมอาหารแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่แล้วก็ศึกษาไปศึกษามาพบว่าโรคโรคหัวใจเนี่ยมันมีสาเหตุจากหลายสาเหตุสาเหตุนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์คนบางคนเนี่ยเวลาเวลามีความเครียดหรือเวลามีความ ความเหงาว้าเวแบบเลื้อนหลังเนี่ยนะก็เป็นโรคนี้ได้แล้วแต่ก็พบว่าแกเป็นอย่างนั้นจริงๆคือแกอยู่คนเดียวแกเป็นคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สูงสิงกับใครมีครอบครัวก็อย่ากี่อยู่อยู่คนเดียวจริงๆแล้วแกก็รู้สึกชีวิตแบบนี้แกมันจะไปไม่รอดแล้วถ้าแกมีชีวิตแบบนี้แกก็เลยออกไปพยายามไปสัมพันธ์กับผู้คนไปทํางานช่วยกิจการสาธารณะทํางานสาธารประโยชน์การกุศล มีงานสมาคมที่ไหนก็ไปแกบอกจ่าแกสู้แกมีความสุขมากขึ้นชีวิตแกดีขึ้นแล้วบอกว่าแกหายจากโรคโรคหัวใจโรคหัวใจหัวใจแกหลอดเลือดหัวใจแกไม่ได้โปร่งโล่งจะปลอดปราศจากไขมันอย่างเดียวแต่ว่าแกบอกว่าหัวใจกับเปิดกว้างด้วยเปิดกว้างรับผู้คนเข้ามาในชีวิตแค่ก็มีความสุขแกก็เลยบอกว่าเนี่ยโรคหัวใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสุดที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแก คือมันมีของดีมันมีความมันมีแง่ดีอยู่ในตัวบางคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ขอบคุณมะเร็งโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่าทำให้เขาได้หันมาสนใจธรรมะําน ม, มาได้เราลึกถึงความตายขึ้นมาว่าชีวิต น, นี้มันมีเวลาไม่แน่นอนก็เลยเลิกที่จะไปทํางานไล่ล่าหาเงินมาให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวก็มีความสุขนี่คือด้านดีของของความทุกข์ด้านดีของความเจ็บป่วยด้านดีของความความผิดพลาด หรืออย่างคนที่เรารู้จักดีเนี่ยสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์บนี่แกเป็นคนผลิตคอมพิวเตอร์ที่ชื่อ Apple ยี่ห้อ Apple เราคงรู้จักซึ่งต่อมาเป็นแ c i ินทอนแกสร้างบริษัท Apple ขึ้นมาจนเป็นบริษัทใหญ่โตแล้วกลายเป็นบริษัทมหาชนแล้วแกก็ไปเป็นกรรมการอยู่ไปเป็น CEO แล้ววันดีคืนดีแกก็ถูกไล่ออกจากบริษัท Apple ที่แกก่อสร้างขึ้นมาบอโหช้ำใจมากเลยแต่หลังจากนั้นผ่านไป5ปีแกบอกว่า การที่แกถูกไล่ออกจากบริษัทแอปเปิที่แกสร้างมากับมือเนี่ยมันเป็นสิ่งดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของแกพูดคล้ายกับคนที่เป็นโรคหัวใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าแกบอกว่าถ้าแกอยู่บริษัทแอปเปิลเนี่ยแกก็คงจะไม่ได้ทําอะไรที่มัน พ, พิเศษพิสดารไปกว่าเดิมแล้วมันลงตัวแล้วมันมขึ้นไปสูงสุดก็มีแต่จะลงอ่ะแต่การที่แกถูกไล่ออกเนี่ยมันทำให้มันเหมือนกับการปลดปล่อยทําให้แกได้ไปทดลองทําสิ่งใหม่ แล้วแกก็ได้ไปตั้งบริษัทพิกซาพิกซานี่ก็คือบริษัทที่ใช้คอมพิวเตอร์ผลิตการ์ตูนดังๆเนี่ย Toy Story หรือว่าหนังเรื่องอะไบ้างอ่ะของเด็กๆที่เขาสร้างกันน่ะ Toy Story แล้วก็หลายเรื่องที่เป็นเรื่องดังๆนะ Incredible ด้วยอาจจะด้วยมั้งหรือไงเนี่ยแล้วพิกซาก็เป็นบริษัทที่ใหญนะ่ในวงการบันเทิงแล้วก็ สร้างสารรค์สิ่งแปลกใหม่ใหให้กับวงการคอมพิวเตอร์และตอนหลังจากก็ไปเลิ่ iPod iPod ที่ดังเนี่ยก็คือทีมข t งสตีฟจ็อบส์แบอกว่าเนี่ยการที่ถูกไายอ่อ น, เ, นเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเราเวลาเจอความทุกข์เรามองให้มองรู้จักพยายามมองให้เห็นข้อดีของมันบ้างมีบางคนก็บอกว่าความทุกข์นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องขรั่มครวญ น, นะความทุกข์เป็นสิ่งต้องไข้ครควญ อย่าคร่ำครวญเมื่อเจอทุกข์แต่คนใไคร่ครวนว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างอาตมาคิดว่าถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเวลาเจอความทุกข์นี่เราจะไม่ขาดทุนเราจะได้กำไรคนเวลาเจอความทุกข์เจอความพลาดสูญเสียเจอความล้มเหลวเนี่ยจิตใจยแย่อันนี้ถือว่าขาดทุนแต่คนบางคนนี่เขาฉลาดเขาเจอความทุกข์แล้วเนี่ยนอกจากเขาจะรักษาใจให้ปกติเพราะเามีสติแล้วเนี่ย ก็ยังสามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็นของดีให้กลายเป็นประโยชน์ต้นไม้เนี่ยนะเวลาเราเอาขยะถ่ายลงไปเ อ, เอาเอาเศษเอาซากพืชซากสัตว์ใสยลงไปไปกองไว้ตรงโคนต้นเนี่ยนะต้นไม้นี่เปลี่ยนซากพืชซากสัตว์เป็นขยะนี่ให้กลายเป็นยังไงให้กลายเป็นผลไม้ให้กลายเป็นดอกไม้ที่สวยที่สวยงามผลไม้ที่หอมหวาน ขยะที่เน่าที่เน่าเหม็นกับดอกไม้ที่สวยงามเนี่ยมันสัมพันธ์กันต้นไม้นี่เปลี่ยนสิ่งที่เลวให้กลายเป็นสิ่งที่ดีถ้าคนเราก็มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เวลาเราเจอความทุกเวลาเราเจอเจอคําต่อว่าคํานินทานเนี่ยเราเปลี่ยนให้ไปเป็นของดีได้คุณ คุณเล็กวิริยพันธ์ผู้ก่อสร้างเมืองโบราณเรรู้จักใช่ไหมฮะเมืองโบราณแต่ผู้ไว้น่าสนใจเนะแกบอกว่าวันไหนนี่ไม่โดนตนําหนิวันนั้นเป็นอั ป, ปมงคลวันไหนไม่โดนตนําหนิวันนั้นเป็นอั ป, ปมงคลเพราะว่าคาตําหนิแกบอกว่าเป็นของดีทําให้รู้ว่าแกผิดพลาดยังไงทําให้รู้ว่าต้องแก้ไขยังไงนี่แหละคือการเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นดอกไม้ อาจารย์คิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องต้องฝึกให้ให้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วเราก็จะสุกได้แม้ว่าโลกภายนอกเราโลกภายนอกตัวมันจะแย่ย่งไรก็ตามแม้จะโดนตําหนิโดนนินทาโดนว่ากล่าวงานการไม่ไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าเราเปลี่ยนมันจากร้ายการเป็นดีได้อาจารย์คิดว่าเนี่ยก็ก็คิดว่าคงพสมควรแล้วมั้ง ก็คงจะทําให้เห็นภาพแล้วว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเราไม่กลัวทุกข์อ่ะคนส่วนใหญ่เวลาเวลาขอพอรเวลาอธิษฐานจะขอให้ขอให้ฉันรวยขอให้ฉันมีสุขภาพดีขอให้ฉันมีดีอย่างโน้นมีดีอย่างนี้แต่เราลืมไปว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราก็แล้วแต่แต่จะสุขหรือทุกข์เนี่ยอยู่ที่ใจเรา แม้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่แม้สุขภาพดีแต่ทุกข์ก็เยอะขณะที่บางคนพิการแต่มีความสุขบางคนยากจนแต่มีความสุขหรืออย่างพ่อค้าหาเลรที่ถูกหวยยี่สิบล้านต่หลังนั้นแกให้สัมภาษณ์นักสืบที่ว่าไอตอนแกเป็นพ่อค้าหาเลรยหาช่อกินค้าเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนไหนแกยอมรับเลยนะว่าตอนที่จนมีความสุขกว่าคือ เจออะไรไม่สำคัญทักว่าเจออย่างไรทำไมอยากจะสูตนี้เห็นอะไรไม่สำคัญทักว่าเห็นอย่างไรได้ยินอะไรไม่สำคัญทักว่าได้ยินอย่างไรได้ยินคำดา่าแต่ถ้าคุณได้ยินอย่างมีสติวันนั้นก็เป็นอภปมงคลพระอาหารหันต์บางรูปเนี่ยท่านเห็นหญิงสาวมายั่วยวน หรือว่านางคณิกะหรือว่าหญิงสาวมาฟ้อนลำอยู่ข้างหน้าเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่เราถือว่าไม่น่าดูสําหรับพระแต่ท่านดูแล้วท่านบรรลุธรรมได้เพราะท่านในตอนหนักว่าโอเนี่ยนี่คือบ่วงของกิเลสท่านเกิดความหน่ายในสังขารท่านบรรลุธรรมท่านเห็นอะไรไม่สมควรท่านก็เห็นอย่างไรเดี๋ยวนี้เราพยายามไปบอกว่าเด็กๆอย่าไปดูลูกโปนยอย่าไปดู อย่าไปฟังอะไรที่มันไม่ดีนะแต่เราไม่ได้สอนว่าเห็นอะไรเนี่ยมันยังไม่ทำให้เราแย่เท่ากับว่าเราเห็นอย่างไรถ้าเราเห็นอย่างมีสติเห็นอย่างมีปัญญาแม้เจอเจอภาพที่น่าเกลียดนะก็จิตใจก็เป็นสุขได้นะแลวตรงนี้แหละมันไม่ได้ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเว ล, ลาเราอธิษฐาน อันตมาคิดว่าผมไม่พอแล้วมั้งหรือว่าเป็นการมองแบบแคบเกินไปถ้าเราจะบอกว่าขอให้เกิดสิ่งดีๆกับฉันแต่เราไม่ค่อยได้นึกว่าเออแล้วฉันจะทําให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจฉันได้อย่างไร ท, ไงทําไมฉันถึงจะมีสติ ท, ทําไมฉันถึงจะมีปัญญาทําไมฉันถึงจะมีความอดทนทําไมฉันถึงจะมีความรู้จักมองมองอะไรในแง่บวกแง่งดีบ้างถ้าเรามองอย่างนั้นเราไม่กลัวนะ ถ้าเรามีข้างในดีเนี่ยจะเจ็บป่วยก็ตามจะล้มเหลวจะยากจนจะล้มละลายเนี่ยของผว้นี้ทาอะไรเราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้ อ, ไรรไไดอันนี้แหละที่พูเจ้าเรียกวิวมุตติคืออิสระอิสระจากความขันขืนกลัวแปลของโลกอิสระจากสิ่งแวดล้อมเสียงดังก็ไม่ทุกแดดร้อนก็ไม่ทุกเจ็บป่วยก็ไม่ทุกอันนี้แหละคือคือสิ่ง สิ่งที่อยากจะให้เราได้ไ ด, ได้ได้เข้าถึงกันซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยถามว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตอบสั้นๆก็คือว่าธรรมะก็คิดว่าพอสมควรนะสำหรับการาการบรรยาย ใ, ในในช่วงแรกนะก็คิดว่าถ้าท่านใดสงสัยก็าถามได้